ก็แรงกรรมของบุคคลต่างๆซึ่งทุกคนได้เห็นเองได้เห็นด้วยตนเองในระยะเวลาไม่ไกลนักเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นหลักใหญ่ยังเป็นสัจธรรมอยู่จะมีตัวแปรและเงื่อนไขบ้างก็ในรายละเอียดเท่านั้น ซึ่งคนเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและก็ทำความดีให้เป็นทำความดีให้เป็นขอเน้นตรงนี้นะครับว่าเราต้องทำความดีให้เป็นเพราะว่า <c oughs> ถ้าทำไม่เป็นมันจะเป็นความร้ายแม่คิดว่าทำความดีนั่นแหละแต่มันจะเป็นความร้ายขึ้นมาในเรื่องนี้ พ่อค้าเพชรปันทุกด่วนลงโทษคนรับใช้คือมหาทูดอย่างพรีปรามและรุนแรงทำให้เขาเจ็บช้ำนำใจจนปลีกตนออกไปเป็นโจรคนที่ถูกต้นมีพ่อค้าเพชรนายเก่าของเขารวมอยู่ด้วย เป็นการจองเปิดก็มีเวลานุเวนต่อกันเมื่อได้รับผลแห่งการกระทาของตนอย่างแสบเผ็ดด้วยกันแล้วจึงรู้สึกตัวทำความดีด้วยความมั่นใจต่อไปชาวนานโดยปกติทั่วไป เป็นผู้สงบส ง, เงีเกมเตียมตัวและเชื่อฝังสมณะอยู่แล้วเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากสมณะช้วยน้ำใจอันงามจึงตอบแทนด้วยการอยู่ในโอวาทและก็ได้รับผลดีจากการตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตท่านผู้ฟังจะพบว่า ผู้เลี้ยงคนให้เป็นคนดีย่อมจะได้รับสนองตอบด้วยความดีแต่ผู้สอนคนให้เป็นโจรย่อมจะได้รับการตอบด้วยการกระทําอย่างโจรดูมาหาทูดเป็นตัวอย่างถเขาสอนลูกน้องให้เป็นโจรในที่สุดลูกน้องก็กลับมา กลับมาทำร้ายเขาเขาเองก็เคยปล้นนายมาแล้วเหมือนกันเรื่องทำนองนี้ <c oughs> เรียกว่ามีกิยาปฏิกิจาเป็นก่าแต่งกรรม <c oughs> ก็ในนี้ก็ได้พูดเอาอไปถึงาการที่ได้เชืออฟังชาวนาชาวนานั้นได้เชืออฟังพระเถระ เชื่อฟังพระเทสะหือว่าได้ลาบได้ลาบเพราะอยู่ในโอวาทของนักปรวชเคอเชื่อฟังพระเทสะไม่จองบิดไม่จองเว ร, รกับปันถุ <S <S รื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าเอาไว้มากในคำภีรทางพุทธศาสนาอย่างเช่นเรื่องทีขาวุกุมารนั่นก็อยู่ในโอวาทของบิดา บิดาเขา <c oughs> ถูกจับถูกจับแล้วกำลังจะถูกฆ่าเขากลับมาจากศึกษาเร่าเรียนเห็นบิดากำลังจะถูกฆ่าต่อไปเข้าไปใกล้ๆบิดาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ลูกเพราะว่าผู้ที่กำลังจะลงโทษตัวท่านเองก็คือพระเจ้าแผ่นดิน ท <C> e <an> ันก็ให้อวบลูกชายบอกว่าลูกเอ้ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้น <C> e <an> เวรย่อมไม่ระงับโดยการจองเป็แต่ระงับโดยการไม่จองเป็น <C> e <an> อย่าเห็นแก่การยาวก็คืออย่าจองเว็นไว้ให้นานอย่าผูกเวรไว้ให้นานอย่าเห็นแก่การสั้นก็คืออย่ารีบตัวนแตกจากมิตร แล้วก็ลูกชายก็ต้องการจะแก้แค้นทีไรเมื่อได้โอกาสที่จะแก้แค้นทีไรเสียงแววของบิดาก็มาเสียงแววของบิดาก็มามาเหมือนกับว่าได้ยินอยู่ใกล้ๆแล้วก็เขาก็อดกลัน้นอดทนอดทนไว้ได้ไม่จองเป็น อในที่สุดก็ได้ครองแคว้นทั้งสองแคว้นได้ครองแคว้นทั้งสองแคว้นทั้งกาสีและโกศนอันนี้ก็เพราะว่าใด้อยู่ในโอวาทของนักปราชญ์ได้อยู่ในโอวาทของปีตาแล้วก็ไม่ตรองเบ็ดก็นึกถึงภาษิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านจบจากการศึกษา ในตักศิลาและก็เดินทางกลับเดินทางกลับบ้านในระหว่างทางนั้นก็ถูกล่อลวงยักษณีก็ปลอมตัวมาพักพวกที่เดินทางไปด้วยกันก็เป็นตกเป็นเหยื่อของยักษณีทั้งหมดเลยตัวท่านเองก็ระวังตัวท่านเองไม่ยอมทำอย่างที่เขาเพื่อนเขาทำ ไม่ยอมทำอย่างที่คนอื่นเขาทำคือว่าอดกลั้นอดทนไว้ได้ในที่สุดก็ได้เดินทางไปถึงเมืองแล้วได้ครองราชสมบัติแล้วท่านก็มองดูสริริราชสมบัติแล้วก็เปล่งอุทานออกมาว่ากุศลูกุลูปเดเสทิติยาดานายะเพราะเหตุที่ว่าเราได้ดำรงอยู่ในคำแนะนำของผู้ชนด ของนักปราและก็เพราะว่ากลัวไปจึง <c oughs> ไม่ตกอยู่ในอำนาจของยักษณีก็แะได้ถึงความสวัสดีได้ถึงความสวัสดีพ้นจากภัยใหญ่ก็เพราะเหตุที่ดำรงอยู่ในคำแนะนำของบัณฑิตรือของนักปรารือของผู้ชาด เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อยทีเดียวพระพุทธภาษิตก็มีภาษิตไม่ใช่พุทธภาษิตทีเดียวเป็นภาษิตในชาติเราบอกว่ากระยะว่ากายังอนุกรรมประการนั้นควรทำตามคำของผู้เอ็นดูแตว่ารู้ว่าใครเขามีเมตตาการุณาต่อเรามีความเอ็นดูเรา ก็ควรจะทำตามคำแนะนำของท่านผู้นัน้นแล้วพระเพื่อท่านผู้นั้นเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดด้วยโอกาสที่จะพลาดน้อยไม่ไม่ค่อยผิดก็ดำเนินทำตามคำของท่านผู้นัน้น <c oughs> คราวนี้ผมจะเลื่อนไปถึงเรื่องกรรมให้สูงขึ้นไปสักหน่อย ซึ่ง เ, เรื่องนี้อาจจะจบวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เลื่อนพะคุยเรื่องกรรมให้สูงขึ้นไปสักหน่อยอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะฟังยากสักหน่อยนะครับค่อยๆฟังไปค่อยฟังไป อ, ไป <c oughs> อ, อในคำภีรทางพุทธศาสนา ได้พูดถึงเรื่องกรรมเอาไว้มากมายหลายหลั อ, อสุดที่จะนํามาพูดในเวลาที่จํากัดและก็ในอะไรอะไรหลายอย่างที่จํากัดนี้ได้อเ อ, อเช่นว่าวิบากทั้งหลายย่อมเป็นไฟเพราะกรรมวิบากมีกรรมเป็นแด่นเกิดอะพบใหม่ ย, ย่อมมีเพราะกรรมโลก ย่อมหมุนไปอย่างนี้ทีนี้ <c oughs> พอพูดสูงขึ้นไปอีกอมันก็จะงงมันเป็นปราดอมมันจะงงคือว่าเป็นคำที่เหมือนไม่จริงแต่จริงคือว่าถ้าในระดับสูงท่านก็จะพูดว่าผู้สร้างกรรมไม่มีและผู้ทำกรรมไม่มี ผู้เสวยผลกล ร, รก็ไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆที่เป็นไปอยู่นี่คือความเห็นที่ถูกต้องคมิตรที่ถูกต้องคือว่าในซีกของโลกิยะและในซีกของสมมติสัจจะเราถือว่าผู้สร้างกรรมมีผู้ทำกรรมมีผู้เสวยผลของกรรมก็มี แต่ว่าพอไปถึงซิกของโลกุตระซึ่งเป็นการละลายตัวตนเป็นซิกที่ไม่พูดถึงตัวตนละลายตัวตนออกไปว่าไม่มีตัวผู้ทำว่าไม่มีตัวผู้ทำแล้วผู้สวยผลจะมีได้อย่างไรฟังดูถ้าเรา มองในแง่ของสมมติสัจจะหรือในซีกของโลกียะเขาก็จะเห็นว่าคำพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าต้องฟังให้ดีว่านี่ท่านกำลังพูดถึงซีกของโลกุตระ่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมไม่มีทำล้วนๆเป็นไปอยู่ อั น, นี่คือทัศนะที่ถูกต้องนี่คือความเป็นที่ถูกต้องผมขอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นว่าเราพูดถึงต้นมะขามต้นมะม่วงต้นทุเรียนต้นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกชื่อไปต่างต่างอันนี้คือชื่อที่เราตั้งให้มันแต่ว่าตัวมันเองมันไม่รู้จักหรอกว่ามันเป็นมะม่วงว่ามันเป็นทุเรียน ว่ามันเป็นมะขามาถ้าเรียกตามภาษาพุทธศาสตร์มันก็ไม่มีต้นมะขามไม่มีต้นมะม่วงแล้วก็ไม่มีต้นทุเรียนไม่มีต้นอะไรมันมีแต่เซนชีวิตที่เป็นพืชชนิดหนึ่งอันนี้คือคือพูดแบบปรามัด <c oughs> แบบปรมัดมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ทุกมีอยู่แต่พูดถึงทุกไม่มีการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีความดับมีอยู่แต่ผู้ดับไม่มีทางมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีคือว่าเป็นการละลายตัวตนตอย่างที่ในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า do ing with out doing มีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทากระทำโดยไม่มีผู้กระทำดูอิงวิท t ์เอาดูเออมีแต่การกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำ อ, อันนี้เรียกว่ากรรมที่เหนือกรรมกรรมที่เหนือกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำให้วิบากดำให้ผลดำ คือว่ากรรมดีให้ผลเป็นความสุขอให้กรรมดีให้ผลเป็นความสุขกรรมขาวกรรมขาวให้ผลขาว่กรรมดีให้ผลเป็นความสุขกรรมดํามีวิบากดําคือกรรมชั่วให้ผลเป็นความทุกข์กรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมทั้งดําทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวกรรมทั้งดีทั้งชั่วให้ผลทั้งดีทั้งชั่ว คืว่าให้ผลทั้งสุขทั้งทุกข์ทำกรรมฆะกันมันก็ให้ผลทั้งสุขทั้งทุกข์ให้ผลคฆะกันกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่แหละกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมันไม่เป็นบุญมันไม่เป็นบาปมันไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนมีบุญก็เป็นทุกอย่างคนมีบุญคนมีบาปก็เป็นทุกอย่างคนมีบาปคนดีก็เป็นทุกอย่างคนดีคนชั่วก็เป็นทุกอย่างคนชั่วท่านลองนึกด like ูสิท่าลองนึกดูคนดีก็เป็นท <im forward. S 2> <ๆ>ุกอย่างคนดีเช่นว่าบางทีก็อยากให้คนอื่นเขาดี แต่เรายิ่งดีมากเท่าไรก็ยิ่งอยากให้คนอื่นเขาดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันก็เป็นทุกข์เหมือนกันด้วยว่าพ่อแม่ดีอยากให้ลูกดีแล้วก็พยายามทำดีให้ลูกดีพยายามอยากอยากให้ลูกดีก็พยายามส่งเสริมให้ลูกดีมันก็เป็นทุกข์ตามภาษาคนดีแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเป็นทุกข์อย่างคนชั่วคนบุญคนมีบุญก็เป็นทุกข์อย่างคนมีบุญ ลองดูก็ได้ฮนะลองดูลองเป็นคนมีบุญดูแล้วลองดูที่จะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เพราแต่ว่ามันดีกว่าคนเป็นทุกข์อย่างคนมีบาปเท่านั้นแหละแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือข้ามพ้นทั้งบุญทั้งบาปข้ามพ้นอุปสรรคทั้งสองเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปอยู่เหนือกรรมเป็นกรรมที่อยู่เหนือกรรม แต่ว่าทางพุทธศาสนายอมรับอความเป็นไปใด้ของการอยู่เนือกรรมของการอยู <c oughs> ่เนือกรรมเราพ้นไปเสียพ้นไปจากกรรมกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเมื่อกรรมและวิปากร้อมทางเหตุเป็นไปอยู่นั้นอเอเบื้องต้น ไข่ไข่รู้ไม่ได้คือว่าเงื่อนต้นรู้ไม่ได้เหมือนกับเหมือนกับพืชกับต้นไม้ไข่ไนขะ่ก็รู้ไม่ไดนะ้ว่าพืชมันเกิดก่อนต้นไม้หรือต้นไม้เกิดก่อนพืชมันไก่กับไข่แม้ในอนาค ต, ตการเมื่อสังสารวัตรยังมีอยู่ ความไม่เป็นไปแห่งกรรมและวิปาก็ยังมองไม่เห็นคือว่ามันต้องเป็นไปแน่นอนแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปอย่างไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพยายามให้จบ <c oughs> พรุ่งนี้พยายามให้จบเรื่องกลับแต่ว่าส่วนที่ผมจะพูดในวันพรุ่งนี้และวันนี้ตอนท้ายเนี่ยมัน จะอยู่ลึกๆเหมือนเหมือนเหมือนไข่มุกซึ่งเราจะต้องดำดำลงไปในทะเลลึกจึงจะคว้ามันขึ้นมาได้จะพูดเรื่อง ร, รมที่ค่อนข้างยากสักหน่อยเมื่อคืนนี้ได้เริ่มไว้แล้ว เ, เช่นว่า <c oughs> เช่นว่ากรรมไม่มีอยู่ในผลของกรรมกรรมไม่มีในวิบากวิบากก็คือผลกรรมไม่มีในวิบากกรรมไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างจากกันแต่ว่า เว้นกรรมเสร็จแล้วผลก็มีไม่ได้เร <c oughs> ขอทบทวนอีกทีนะครับะกรรมไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างจากกันแต่เว้นกรรมเสร็จแล้วผลก็มีไม่ได้ เดือดอาศัยกันเปรียบเหมือนไฟไม่มีในแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่มีในแก้วกระจกในบาลีท่านใช้คําว่าสูรยักการไม่มีในแก้วกระจกแล้วก็ไม่มีในมุนโคแห้งที่ใช้เป็นเชื้อไฟ เขาเรียกว่าโคมัย น, ะ <c oughs> นี่ภายนอกวัตถุทั้งสามนั้นมันก็ไม่มีแต่มันเกิดขึ้นด้วยการรวมกันของวัตถุทั้งสามอย่างฉันใดวิบากก็หาไม่ได้ในกรรม แล้วก็แม้ภายนอกกรรมก็ามหาไม่ได้กรรมก็ไม่มีในวิบากนั้นกรรมนั้นว่างจากผลผลก็ไม่มีอยู่ในกรรมแต่ว่าผลอาศัยกรรมนั่นแหละจึงเกิดขึ้นก่อนฉันนั้นท่านผู้ฟังเคยเห็นชาวนาเขา จดบุรี <c oughs> สมัยที่ยังไม่มียังไม่มีไฟอะไรที่ทันสมัยเหมือนอย่างเวลาน <c oughs> าี้เขาจะมีเขาจะมีเหล็ก เ, เขาจะพกเหล็กเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็หินก้อนเล็กๆก้อนหนึง่งแล้วก็มีกระบอกเล็กๆ อันหนึ่งสําหรับใส่นุ่นหรือสําลีอแล้วก็อ <c oughs> ่ไฟมันไม่มีในเหล็กแล้วก็ไม่มีในหินไม่มีในนุ่นหรือสําลีแต่ว่าอาศัยเหล็กไปตีหินแล้วประกายไฟก็เกิดขึ้นพอประกายไฟเกิดขึ้นเขาจะรีบเอากระบอกเล็ก ที่บรรจุนุ่นหรือสัมรีเอาไว้ไปรับประกายไฟแล้วไฟจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จุดบุหรี่ได้จุดบุหรี่ได้ <c oughs> จุดบุหรี่เสร็จแล้วเขาก็ดับอ่ดับไฟแล้วก็เอาไว้จุดข่าวต่อไปใหม่ไฟไม่มีในเหล็กไม่มีในหิน แต่ก็ไม่มีในนุ่นหรือสำมรีแต่ว่าอาศัยวัตถุสามอย่างนั้นไฟเกิดขึ้น <c ười> ไฟเกิดขึ้นได้สมัยพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบ้วยไม้สีไฟไม้แหง้ง <c ười> ไม้แห้งเขาเอามาสีกันแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้น ทำให้เกิดฝ่ายขึ้นอันนี้ไม่น่าใส่กันอย่างนี้อันแท้จริงแล้วในสังสารวัตรนี้ผู้สร้างสังสารวัตรไม่มีจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ไม่มีเป็นแต่ทำล้วนๆเป็นไปอยู่ทำล้วนๆ น, นี่คือว่ากระบวนการ มีแต่กระบวนการล้วนเป็นการรวมกันข้าวของเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดผลอะไรขึ้นมาอย่างว่า <c oughs> เคยมีเคยมีผู้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าความทุกนี้ บุคคลทําให้เกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นความทุกนี้คนอื่นทําให้เกิดขึ้นหรืออย่าพูดอย่างนั้นความทุกนี้ทั้งตนเองและผู้อื่นทําให้เกิดขึ้นหรืออยา it ่าพูดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นความทุกไม่มีหรือพระโคดมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้น แต่ว่าทรงปฏิเสธทั้งหมดเลยขา้าพเจ้าผู้สิ่งใดพระโคโดมก็ปฏิเสธทั้งหมดถ้าอย่างนั้นขอให้พระโคโดมแสดงว่ากรรมมีอย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็จัดกระบวนกา ร, รือ <c oughs> กระบวนกา ร, รทเทียกว่าทำลวนลวนเป็นไปอยู่ก็เริ่มจากอวิชชา มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารามีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดปิญญาไล่เรื่อยไปไล่เรื่อยไปแล้วจบลงด้วยว่ า, าความทุกเกิดขึ้นด้วยประการชนี้กองแห่งความทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยประการชนนี้น่าเร า, าท่านก็ละลายตัวตนละลายบุคคล ผู้ทำพูดสร้างแต่ว่าเป็นกระบวนเป็นกระบวนการทำเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงกรรมในแง่ลึกแล้วก็อขอให้พูดให้สนใจสนใจในเรื่องกรรมไม่ดำไม่ข่าวกดำไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เมื่อกรัมภาวีส่งลูกน้องสิบหกคนลูกศิษย์สิบหกคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ผูกปัญหาให้คนละอนผูกปัญหาให้กนละตอนกลอนกละคนละเรื่องอ่าไปทูลถามพระพุทธเจ้า ในคำสรรเสริญพระพุทธเจ้านั้นพระมภาวรีได้บอกว่ า, าสรกรรมมักขยังปัตโตพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นกรรมทางปวงเป็นผู้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทางปวงวิมุตโตปะทิกะเยเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว ในเพราะความสิ้นไปแห่งอุปธิคือกิเลส <c oughs> คือกิเลสเพราะฉะ้ชาวพุทธชาวพุทธถ้าเผื่อจะตัดกรรมจะตัดกรรมก็ต้องไปตัดที่กิเลส้อ <c oughs> กิเลสเบาบางลงกรรมก็เบาบางถ้ากิเลสามากขึ้นกรรมก็มากขึ้น ตัวต้นตัวต้นเหตุมันอยู่ที่กิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสสวัสกิเลสสวัสดกรรมวับแล้วก็วิปากกรวัตเป็นการเวียนวนเวียนของกิเลสของกรรมแล้วของวิบากอันนี่ก็เรื่องกรรมที่พูดมาหลายครั้งเหมือนกันรวมมาตั้งแต่ เรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพัดฒรากสูญเสียะมาจนถึงเรื่องกรรมรวมแล้วไม่ทราบกีกครั้งมันเทพนี่ดูเหมือนว่าจะยี่สิบกว่าม้วนยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าครั้งไม่ใช่ยี่สิบกว่าม้วนยี่สิบกว่าครั้งเพราะฉะนั้นนับดู ก, ก็ประมาณสิบ สิบห้าสิบหกม้วนแล้วก็หลายครั้งยี่สิบห้ายี่สิบหกครั้ง <c oughs> ทีนี้ก็ถ้าพูดเรื่องกรรมแล้วไม่พูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังขาดไปอาเท่าที่เวลา ย, ยังเหลืออยู่ก็จะพูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสักนิดหน่อยอนี่ก็มีรายละเอียดเยอะแต่ว่าจะผ่านไปนะครับจะไม่ จะไม่พูดให้ละเอียดหนักแต่จะพูดตั้งจุดเช่นว่าจุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่ว่า <c oughs> มนุษย์เรานี่มีการเวียนว่ายตายเกิดนะเขาเรียกว่ารีเบิร์ตรีเบิร์ก็คือการเกิดใหม่เกิดอีกตายอีกเกิดอีกเกิดอีกตายอีกแ <c oughs> การเกิดใหม่นี่เป็นกระบวนการธรรมชาติ ยังหนึ่งของชีวิตเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตหรือวิญญาณจะได้ไปมีประสบการณ์ด้า น, นตา่างๆก่อนจะจากโลกเข้าสู่โลกุตระภาวะความเป็นกความเป็นโลกุตระแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดในพบในนัอีกต่อไป โลกนี้ก็เหมือนกับโรงเรียนใหญ่สำหรับจิตหรือวิญญาณจะได้ศึกษาหาประสบการณ์จนถึงที่สุดเมื่อเราได้เกิดซ้ำซากอยู่ชัดแล้วชัดเล่าได้ผ่านความสุขบ้างทุกบ้างประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง